เทศนาแผ่นที่81ดดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรธานีสแสดงธรรมในวันที่28พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าเรียนไม่จบหลักสูตร หลวงพ่อหนีจากวัดหลายวัน <c oughs> ตั้งแต่วันที่22กลับมาวันที่27ไปข่าวนี้รู้สึกว่าไปนาน22 23 24 25 26 27 6วันหนีจากวัดเป็นในวันหนารุน่นอยู่กับลูกน้องผมมีมัดมีมวยตัวบอบอ ก, บอก แล้วใบหญาดกันอยหญาิกันกินตั้งล่งมุ้ยขึ้นมากเื้พ่ออุจิตทั้งวัยค า, วารวะตระหยาดผ้าเข่ากันตัววันหนยู่หนายู่หลังวัไหนลงมัดล่งมุ้ยกันตัวบอกเออเอาดีเือเื่อ เ, อเื่อแค่กันอยู่ครับเออดีนั่นแหละลูกหลานลูกลูกหลานลุงพ่อต้องเป็นอย่างนั้น嘛 ไปทะเลาะกันแย่งกันอยู่แย่งกันกินออกหมัดออกมวยเราไม่ได้ไว้ใช่ลูกจิตลุงโพออิน <c oughs> ลูกจิตลุงโพ อ, อินเนี่ต้องเ อ, อือเฟือ่เอเอืออารี่ผู้ใดได้กินผู้ใดผู้ใดกินต้องแบ่งกันอราทานแล้วมันยังหักกันจนหอดพุดนะหอดมือตายก็ยังคือทอดกันอยู่เพราะมีการมีนําใจต่อกันกั <c oughs> นาวา บ่แบงหมูแบงเพื่อนอันบ่ดเดะเออบัทางูเหลือเมื่องูเหลือเกี่ยวเขาเขาจะบ่ซอยกนไปเออเพอตายไปแล้วโอยตายก็ตายอย่าไม่ว่ากี่ทีมันกี่เหียวพรทจแบงหมูแบงเพื่นจะอีกแสงปล่อยแสงกระตอดมือตายเปนบ่เม็ดแนววันนั้นพวกเข้าอยู่น้ำอยู่น้ากันต้องหักกันเมตตากันเออเฟื่อเอออรี่ตอกัน พกกูบ้บาเกินหลวงพ่อถามไทยพอมองหอดก็ต้องถามจาระทุกซุกดิบของลูกน้องลูกลานลูกลูกอยู่จังใดอยู่เย็นเป็นทุกข์มีอย่งบ่การที่ถามแต่ปกกูบ้บาพราถามตัวนาญาตรายม่ยจังไดบัดนี้นถามตัวญ า, าตรายม่ยหมกู้บาจะได้เห็นนะโอ้ยพออ๋อทุกเจ็ตฟ่อ คิดตัวดอดหลวงพอ่ออย่กติณีว่ามันพวกข้าน้อยอยู่บ้างหนึ่งยู่ภาคยู่ภาคเขาใส่กันอยู่ <c oughs> พันนั้หลวงพ่อจึงถามโตนาการมันไป <c oughs> ว, วันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อ ออกจากวัดไปหลายวันอย่างที่ว่าตั้งแต่วันที่22กลับมาวันที่27เมื่อวานนี้พระในวัดของเราทั้งหมดขณะ น, นี้ตามรายงาน <c oughs> พระ37หนาก1คนรวมแล้ว38บัดหลวงพ่อ ลงไปภาลธทุระภา ล, ภาลกิจของพระพุทธศาสน า, าไปก็เห็นไปวันแรกวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสามเช้าก็ไปฉันย่จิตโิตโาสนาปากก็พี่น้องประชาชนก็โอ้ล้นหลาม <c oughs> มากอบอุ่นแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่อาทิตย์ เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนแสงธรรมอันนั้นก็โอ้เออมากกว่าคราวที่แล้วนี่อีกตามอาจารย์เจริญรายงานบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์คตรมากอืมเราก็เห็นก็โอ้มากอาวันที่ยี่สิบห้าก็ฉันที่สวนแสงธรรมวันที่ยี่สิบหกออกมาฉันทางนอกบ้าน <c oughs> อกการบุญสืบที่ถวายรถแอมโบเรนที่ท่านกเกษียณนั่นะเจ้ากรมทหารอากาศกับคณะท่านทาบุญบ้านของท่านเสร็จแล้วมันก็ใกล้วัดสังฆทาน <c oughs> าที่นนบุรีหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมตอนบ่ายของวันที่25วันที่ยี่ห วันที่26ไปแสดงธรรมตอนบ่ายบ่ายโมงครึง่งก็พี่น้องประชาชนก็ยเยอะอยู่เอา MP3 ไปแจก400 400ชดนะุดไม่พอนะ <c oughs> แสดงว่าคนมากกว่า400แล้วก็วันที่25ไอ้วันที่27เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสันที่บริษัท บริษัททาไม้อัด <c oughs> ทำไม้อัดของนั่นะไม้อัดใหญ่ของเมืองไทยเราจต่แต่ดึกดำบันขน ง, งานก็เยอะอยู่นะอันนี้ไปฉันที่บ้านฉันแล้วก็มาขึ้นเครื่องกับวัดระมวาลขึ้นเครื่องเที่ยงสิบนาทีก็มาถึงนั่นกับมาประมาณชักเกือบบ่ายสองกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็มาคอยที่สนามบิน ก็เลยนั่งคุยกันสนทนาปารบเรื่องต่างๆกันอยู่ที่สนามบินพอสมควรก็ลกลับมาถึงวัดทั้งฝนตกด้วยรถก็ปิ่งด้วยความระมัดระวังมาถึงกับเกือบ5้าโมงมังเมื่อวานเนี่ยค่ำพอสมควรพอมาถึงวัดก็พญาแถนก็จุดบังไฟตอนรับเมื่อวาดเนเสียงสนั่นวันไหวฟ้าร้องเหมือนกันบัง บางไฟพะญาแถน <c oughs> แต่ฝนก็ <c oughs> ไม่มากเมื่อวานฝ <c oughs> นฝ <c oughs> นไม่มากเมื่อวานแต่ก็ชุมฉ่าเย็นอากาศเย็นลงมากแต่พอเมื่อคืนเนี่ลงอีกแต่ลงเมื่อคืนหลวงพอนอนหลับแล้วแต่ยินพอตื่นขึ้นมาเลยยินแต่เสียงจักจัก๊กไง ไมรู้แรงขนาดไหนยาวนานขนาดไหนในช่วงที่หลวงพ่อนอนหลับประมาณาตีหนึ่งตีสองมั้งฝนตกเมื่อคืนรอบสองเนี่ยนะ <c oughs> แต่พอตอนเช้ามาก็รู้สึกว่าสมชำ่ำอากาศเย็นพอสมควร <c oughs> นี่แหละอันนี้คือกล่าวบอกกล่าวรายงานให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้าง แต่วันที่ยี่สิบสี่หลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดอโศการามนะลูกหลานหลวงพ่อเคยไปท่้นนี้ก็คนก็เยอะพอสมควรอยู่เราไปข่าวนี้แปลว่าไม่มีเกือบจะว่าไม่มีช่องว่างให้ได้พักพักบางทีก็พักไปในรถก็มีไปข่าวนี้ประว่ติเขา เขาใช้หลวงพ่อคุ้มขา่าเหมือนกันปสนานหลวงพ่อได้หลงกรุงเทพหลวงหลวงพ่อไปเองกับหลวงพ่อกไปให้คุ้มค่าอีกเหมือนกันเ อ, อไปทั้งที อ, อก็เลยนั่นแหละ <c oughs> เป็นไงหลวงพ่อสุขภาพอืมก็พอทนไหวนะแต่วัดก็รู้สึกว่ดีขึ้นไปถึงกรุงเทพหมอเขาก็จัดยาให้ตัจัดยาไม่อะไรตัวไม่อะไรให้ ใครคิดเห็นอะไรเขาก็อสงเอามาให้บางทีเขาเห็นหลวงพ่อไ อ, อ้ขักขักเขาเอาน้ํามะนาวใส่น้ําผึ้งน้ําอะไรก็ไม่รู้เอามาหลวงพ่อนี่สงัดมากเลยแต่เราดูๆแล้วเป็นน้ํามะนาวที่ยังไม่ได้กรองใช่ไหมโอ้ยฉันไม่ได้แล้วลูกหลนะนานเนี่ยเพราะน้ําอัฐบาลพระในฉันตอนบ่ายมันต้องแหกรองให้ตีซะก่อน หันนี้น้ำถึงจะเป็นยาดีพิเศษกันทั้งกระชั้นมัน <c oughs> ฉันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้กรองเป็นน้ำมะนาวไม่ได้กรองมันเป็นเห็นฝอยเห็นกลากมันอยู่เนี่ยสรุปแล้วก็คือไปนะสถานที่ใดพี่น้องมีแต่น้ำใจทุ่มเทเห็นหลวงพ่อเป็นบัดเป็นไอเขากหายามาให้ได้คนละอันสองอันไม่มีแต่ยาดีๆทั้งนั้น <c oughs> แต่วัดไอของหลวงพ่อนเป็นวัดไอผู้สูงอายุทีเนี่ยวัดกับไอเนี่ยกับผู้สูงอายุเนี่ยมันปีกกระขวี่มันไม่หนีจากกันนะพอหน่อยนึงกับเป็นวัดเป็นไอแล้วคนแก่พอเป็นวัดเป็นไอมันไม่หายง่ายเลยทนีน <c oughs> ดูสินะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาที่หลวงพ่อไปผ่านน้าย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงวันเน็ตละ่ะ อ่มันที่ยนะี่สบปดเนี่ยมันก็ยังมีคมเครือคุ้งเครือกันอยู่อนะ่าแต่ก็ไม่หนักหนาหรอกแต่มันก็ไม่หายขาดอย่างว่านะวัดกับวัดกับคนแก่อย่างที่ว่านั่นนะ <c oughs> แต่เราก็รู้เนี่ยนะร่างกายสังขารเราใช้มานาน <c oughs> <c oughs> เรา <c oughs> เราใช้มันมานาน จะให้เป็นปกติอย่างดั้งเดิมไม่ได้เราใช้มาถึงเท่าไหร่71เข้ามาละเเต็มเ1เข้ามาแล้ ว, เ, เ, าาลวเหมือนกับรถใหม่ๆออกมาใหม่ๆเราก็ใช้วิ่งไปที่ไหนก็ได้มั่นใจในการใช้พอ ร, รถใหม่ถ้ามันตายก็แสดงว่ามันผิดปกติในรถคันนั้นแต่ว่าเมื่อใช้ไปนา น, าน ใช้เป็นนานๆเกปี10ปีไปแล้วนะ่ะานรถคันนานมันไปเสียไปพังอันนั้นเป็นปกติของรถที่ใช้มานานปกติของมันแต่ใช้มานานต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายของพวกเราลูกหลานทุกคนลักษณะนั้นเหมือนกันถ้ายังน้อยหนุม่มถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยราะว่าผิดปกติของร่างกายอย่างน้อยอย่างหนุม่มอยู่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าว่าเท่าแกชรามาแล้วเนะี่ยจะไม่ให้มันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยใช่เลยยนะมันก็ผิดปกติอีกเหมือนกันเพราะว่าร่างกายของเรานะ่ยมันแก่แล้วเราก็ต้องยอมรับในความใช้มานาน <c oughs> <c oughs> เราใช้มานานในร่างกายของเราแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเรีเรยนรู้วิชาในโลกนี่ยต้องเรียนรู้ทั้งหมด วิชาไหนมีคุณมีโทษอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรให้ให้พวกเราเรียนเรียนให้ถ่องแท้อีกต่างหากเรียนให้ถี่ถ้วนอีกต่างหากบางคนก็บอกว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วโดยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช่กันในระดับหนึ่งแต่อย่าไปคิดมุ่งหวัง ร้อยอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะเหตุไรเราก็ต้องคิดยาวไปอีกว่ารพา ร, ะาา ร, ะาระพุทธเจ้าต้นพุทศาสนาต้นจัตตาราต้นพระพุทธศาสนาที่เรานำลึกถึงแล้วพระองค์ไปไหนพระองค์ก็ปรินิพานก็แสดงว่าพระองค์ก็ยังคุ้มของพระองค์ไม่ได้ในธาตุสี่ธาตุสีขันหนะ้าร่างกายสังขารของพระองค์ยังจุตินิพพาน แต่เราล่ะออขออนุภาพจากท่านจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้แค่ว่าเราเรียนอันไหนก็ตามเรียนให้ตลอดมองให้ตลอดไม่ใช่ว่าจับใดจุดใดจุดหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจไม่พอใจในการเรียนในการศึกษาในการเข้าใจของตนเองสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรา หลวงพ่อมิจตไปที่ไหนไมิจตสอนบอกกล่าวให้พวกพี่น้องจัตวาญาติโยมทั้งหลายให้มองให้ทะลุมองให้ทั่วถึงอันมีเหตุยังไงมันจึงมีผลอย่างนี้มันมีผลยังไงมันมาจากเหตุอันไหน <c oughs> เราก็ต้องดูต้องรู้ต้นปลายสายเหตุของมันมันมีผลออกมาอย่างนี้มันต้องมีเหตุนะมันมีเหตุยังไง นี่เราต้องค้นหาเราดูถ้าเราอยากจะรู้นะเว้นเสียดช่างเถอะไปปวดหัวกับเรื่องขี้มูลาขี้ม้าแห้งทาไมเราก็ปล่อยปาได้เลยอันนั้นก็ไปว่าเราไม่สนใจกับมันมันจะมายัางไงมาเถอะนะอันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งเราปล่อยวางในจิตในใจของเราได้แต่ถ้าว่าเราไปปักใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป ก็เหมือนกับโรคจักรวาลนี่จะเป็นของตนเองอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะโรกนี้เป็นโรคอเนจังโรคทุกขังโรกโรคอนัตโรคอนัตามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเราทำใจให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> ในเรื่องต่างๆเราก็จะวางตัวถูกวางตัวถูกวางใจถูกวางการเป็นอยู่ให้ถูกต้อง อันไหนควรจะแก้ไขยังไงสถานการณ์อย่างนี้ควรจะทํำยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้บอกว่าวิชาความรู้เนี่ยต้องเรียนให้เจียนจบเออไม่ใช่เรียนครึ่งๆกลางๆเรียงหลักของพุทธศาสนาก็เรียนก็ให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวเออแล้วก็พุทโธ อ, อแล้วในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเจียนจบที่สุดนั่นคืออย่างไร ท่านก็จะได้บอกอืต้องมีศีลมีศีลดีแล้วก็ต้องมีสมาธิอาอาพอ ไ, ได้สมาธิเท่านั้นจะหลุดพ้นเฉเลยก็ไม่ได้นะต้องเดินวิปัสสนาอันนี้คื อ, คอขั้นตอนในการฟังในการศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาจุดใดจุดหนึ่งคําใดคําหนึ่งจบแล้วก็คือได้ฟังแล้ ว, ลวก็จบเลยไ ม, ไม่ใช่ วิชาในโลกก็เหมือนกันอีกเหมือนกันเราต้องเรียนต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องวิชานั้ น, น, นบางทีบางสิ่งบางอย่างวิชาที่เราเรียนมานั้นอ่ะมันจะเป็นพิษเป็นภัยไหมมีแต่คำสอนว่าวิวิชาฉีดยาตัวนี้อให้ยาตัวนี้ให้ยากินตัวนี้เราก็ต้องถามว่ายาตัวนี้มีพิษภัยไหม พิษภัยของมันคืออะไรเมื่อทานเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงยาตัวนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นเขาจึงมีตำราบอกในนั้นเราต้องศึกษาถึงเขาจะมีตำราก็เถอะเราก็ต้องศึกษาอ่านให้ถี่ถ้วนว่ากินเข้าไปแล้วมันเป็นพิษภัยตามมานั้นคืออะไรนะเ อ, อเราก็ต้องศึกษานี้ก็เหมือนกันวิ ช, ชาความรู้ในโลกของเราเราเรียนต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนให้จบ วิธีแก้ไขวิธีดําเนินการอย่างไรพิชโทษมันยังไงคุณมันยังไงหรือมีคุณอย่างเดียวเรียกว่ามีคุณด้วยมีโทษด้วยอในเรื่องนี้นี้เรื่องนั้ น, น, นถ้าหากว่ามีคุณอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องเรากดดูแล้วมีคุณอย่างเดียวอย่างภาวนานภาวนาถูกทางมีคุณอย่างเดียวถ้าภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าออกก็จริงอยู่พอจิตสงบเป็นอุปจาระสมาธิส่งจิตออกไปข้างนอกไปดูนรกไปดูสวรรค์ไปดูเปรตดูผีดูสิ่งออกนอกจากนั้นออกจากหลักหลักที่มันสงบมันส่งจิตออกนอกเพ้อเพ้อเป็นบ้าได้เอาทําไมนั่นเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าทําแตกสําคัญผิดและทํำยังไงนี่แหละเราต้องศึกษานีง ก็ต้องศึกษาไอ้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นคนนั้เป็นยังไงครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนําสั่งสอนถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้นะเออถ้าว่าเราไปศึกษาเนี่ยตัวนี้แหะตัวเข้าไปศึกษาผิดที่ผิดทางผิดครูบาอาจารย์เนผิดสายน่ยไม่ใช่มันไม่ดีไม่ใช่มันเป็นผลดีนะอพอแนะนําผิดท่า น, นไปบัยาใจเลยท่านทำแตกเผ้อเพ้อเป็นบ้าเป็นบ่ออย่างหลวงพ่อลงไปคราวนี้ก็ได้ยินอีกเหมือนกัน ไปภาวนาไปศึกษาไปแล้วนะมันจะเสียศูนย์เสียหลักก็มีเพราะอะไรเพราะไม่ศึกษาให้ทีท่วนไม่ศึกษาทัานผู้รูเ้เพราะนั้นวิชาในโลกมันมีน ม, มากถ้าเราใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้ดีแล้วต้องศึกษานะาศึกษาวิทย า, าความรู้สำหรับตัวเองวิชาความรู้ตัวเอง ศึกษาให้ทีท่วนถ้าไม่ทีท่วนเนีย่ย ล, ลึกศึกษาครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะเป็นอันตรายกับตนเองนะห <c oughs> ลวงพ่อก็เลยพูดเป็นชาดกเปรียบเทียบให้ฟังออหลวงพ่อเนี่ยชอบเปรียบเทียบเป็นชาดกนะเพื่อจะได้ดูฟังด้วยล่ะอืมอคือมีชายหนุ่มไปเรียนวิชา กับอาจารย์เมืองตะกัตชลาเมืองตะกัตชีลาเนี่ยเป็นเมืองวิชานะใครจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเลขเรื่องคณิตเรื่องโหราศาสตร์เรื่องวิชาการรับการพุ่งแต่ทิศปะโมกอาจารย์คนหนึ่งน่ยมันเป็นท่านเป็นอัจฉริยะนะคล้ายๆกับเป็นอยู่นั้นเปยบเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะจับได้หมดจะรู้เรื่องอะไร นั่นหมาเกิดมาเป็นเป็นเทศปาโมกเลยล่ะเอเป็นผู้มีบุญทีเดียวเรื่องอะไรต่ไม่อะไรจําสั่งสอนได้หมดตอนนี้คนทั้งหลายก็ไปเรียน เ, เมืองต่างๆก็ยกย่องว่าเนี่ยเมืองตะกัศิลาเนี่ยเป็นเมืองปิชาอาชีพปิชาความรู้ใครผ่านเมืองตะกัศิลามาแล้วก็จะแปลว่าเหยียบแผ่นดินกระเดื่องแล้วงั้นแต่ <c oughs> เป็นที่ เก่งขามของในวิชาอาชีพนั้ น, น, นมาจากไหนจากตกักกศิลาเรียนวิชาอะไรโหลาศาสตร์วิชาอะไร ว, วิชาคณิตวิชาอะไรวิชาพุ่งลบวิธีการศึกสงครามล้วนแล้วแต่เป็นที่เกรงขามของคนเลยพราผ่านตกักกศิลามาแล้วนะ อันนี้ก็เหมือนกันนชายหนุ่มคนนั่งกับไปเรียนที่เมืองตะกัิลากับอาจารย์ออพอวันหนึ่งพอไปเรียนคุ้นเคยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกเออเราเนี่ยสัตสั ต, ท, สตที่มันตายนั่นแหละเราจะให้เสกคาถาให้มันมันฟื้นคืนชีพได้นะมีวิ ช, ชาอยู่ทางชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ผมผมอยากจะได้วิ ช, ชาตัว น, นี้จริงๆเออ อาจารย์สอนให้ผมได้ไหมเอยส อ, อนได้อยู่แต่มันต้องออบอกในรายละเอียดซะก่อนไม่ไม่ไ ม, ไมครับบอกให้ผมเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้ครับเออเอา เ, เรียนอาจารย์ก็เลยบอกคาทายหมุบมาหมุบมามุบมามุ บ, มบเอ่อแถวนี้แหละถ้าไปเห็นหมาตายนะเอ อ, เ, อ, อเห็นอะไรตายกับไปกันนั่ง อยู่ท้งหัวมันเ็เป่าคาถาใส่หูมเลยใส่หัวมเลยแล้วมันก็จะฟื้นคืนชีพได้อพอได้ใช่เขาพอผยองพองตัวแต่ไหนพอไ ด, ได้ก็เลยไปต <c oughs> ามปกติลูกศิษย์ของทิศปามุกอาจารย์ตอนกลางวันจะไปหาอาหารเก็บหักหักฟืนอพอแล้วผ็เอามาแล้วก็มารวมกันเป็นพื้นเป็นผักมาเลี้ยง หมู่พกเพื่อนจัดไปเป็นหมู่เป็นหมู่พวกนี้ไปหาฟืนพวกนี้ไปหาผักหรือได้อะไรมามาแล้วก็ทำเป็นอาหารเลี้ยงกันในบรรดาลูกศิษย์อยู่ในกลุ่มที่เรียนดึกหนังสือด้วยการฝืนกับเหมือนกับนนะักเรียนกินนอนลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่เลี้ยงตนเองเปิดเวลาให้เวลาไปหาสิ่งของตอนนี้ชายหนุ่มคนนั้นกับหมู่เพื่อนสามสี่ห้าหกคน เดินเข้าไปในหาเก็บผักเก็บผักหักฟื้นอย่างที่ว่าไปเห็นเสือตายทีนี่ไเสือนอนตายไอหนุม่คมคนนี้ก็ร้อนวิชาใช่ไหมเฮ้ยเราได้เรียนวิชามาหมัดมาด้วยเล่านี่ยเศษคาถาให้เสือฟื้นคืนชีพได้นะทางหมูโอ้ยขี้คุยตายแล้วจะไปฟื้นได้ยังไงไ กำเหมือนกับเมื่อเช้านี่เห็นไหมท่านได้หนุ่มคนนั้นมาเห็นบุช้าเลยหลวงพ่อออกไปไปเห็นรถชนลิงตัวเมียมีท้องอีกต่างหากตัววกใหญ่ตายอยู่ข้างถนนเห็นแล้วก็โอ้น่าสงสารรถชนรถชนลิงหลิงวัดแต่พอจะไปจับแต่ตัวผู้บริวารมันลุม <c oughs> ลุมเข้ามาอีกเหมือนกันเออ มันก็หวงหมูของมันเหมือนกันนะมันจะช่วยหมูแต่มันจะทํายังไงได้มันตายแล้วเป็นลิงตัวเมียมีท้องอีกต่างหาเนี่ยแหละวันเช้าเนี่ยท่านได้คาถาอหนุมคอนนต์วาหลวงพ่อคงจะนั่งยังยองเป่าหัวมันเ่ะไว้ให้ลิงคืนชีพเหมือนกันแต่นี้แต่นี้จะทำยังไงได้มันตายแล้วเออก็เลยให้พวกขันออกมาเนี่ยไปฝังฝังจะเนาะฝังเสงโคนต้นไม้ทุกโคนต้นมะพร้าวก็ได้ มันเป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยต้นไม้ทำ <c oughs> ไงมันตายแล้วแต่ที้ชายหนุ่มคนนั้นก็ให้พูดให้หมูฟังทั้งหมูนี่ก็ว่ามันขี้คุย่าสินแน่ไอ้ขี้คุยยังไงผมเรียนมาแล้วนะเฮ้เดี๋ยวจะไปเสกให้ดูสินไอ้พวกนี้ก็เชื่อในอาจารย์นีไปนีอ่อาจารย์บางทีมันอาจจะได้คาถามาอย่างที่ว่านะ เราจะประมาทอาไรพวกเราที่มันทีมันเสกคาถาเป่าได้จริงๆเป่าเสือได้จริงๆนลยเออมันเสือนเสือลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันเราจะมันไม่แด่เหมือนกันถ้เสือใหญ่ขนาดนี้เละไอ้พวกนั้นก็เตรียมขึ้นต้นไม้แล้วว่ากั้นเชื่อบางไม่เชื่อบางเนี่ะไอ้คนฉลาดมันต้องมันต้องแบ่งรับแบ่งสู้อย่างนั้นนะเออถึงจะไม่เชื่อขนาดไหนก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่ากันนี่ย เพราะว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะวิ่งขึ้นต้นไม้ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรือยืนล้อมโจลอบังนุนตัวด้วยกันนี่ยอันนี้ก็บนะกุศิเสกขาตายโดนอั้นี้ก็นั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อครูน่ยใชนั่งอยู่ทางหัวมันนะจมข้อเท้ามุมหมอบมุมหมบมุมหมบมุมหมอก็เสกเปล่าใส่หัวเสือเนี่ย พอเป่าเสกเสกหัวเสือหัวเสือก็โพร่งเนี่ยตาเมื่อก็โปร่งลืมตาขึ้นมาอกะนตอนนี้ก็จมอีกกระตาพัดอีกเจ็บเจ็บหัวมันอีกกล้วนะมันก็สะบัดหัวถึกถึกถึกถึกขึ้นมาแต่นี้ก็ยังไม่ถอยเลยคนเออนสแก่วิชาแก่คาถาเงี้ยบ่นคาสาธายทั้งสามครั้งสายเป่าท่า <ilo> นี่ พอโคตรทีเสือมันก็ลุกขึ้นมาแบบเร็วเลยสะบัดเพื่อใช่ไหพอบาดสะบัดเพืขึ้นมาเสือมันมันตายตั้งแต่มันตายมันหิวอาหารมากี่วันแล้วใช่ไหมละ่ะเออมันไม่ได้กินอาหารพอสะบัดขึ้นมาได้เห็นแต่อันั้นน่ะนั่งจ้องๆกาลังจะขยับเนละเสือโดดตะปบเร็วงั้นเถอะตะปบที่นี่หักคอลเลยไอพวกคนที่อยู่ข้างๆกับ ต้นไม้สูงขนาดไหก็ขึ้นสูงสุดของต้นไม้ไอย่างนั้นเถอะไอ้นั้นก็เลยเป็นอาหารของเสืออะไรตัวนี้เสือ ก, ก็กินหมดเลยเหมือนกันเถอะพอกินมันก็สะบัดขนเสร็จแล้วมันก็ไปของมันอลไรตัวนกินขนอิ่มแล้วขนหนึ่งละพวกนั้นก็ตายตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายลงมาจากต้นไม้ฮะพอลงจากต้นไม้ขวนนัญหนีดีฟอไปหมดแล้วตัวนี้เลยมาหาอาจารย Tar ์ โอ้อาจารย์ว่าจาันไอ้นั้นไงไปมันเสียค่าถาเปล่าให้เสือฟื้นคืนชีพพอคืนชีพขึ้นมาเสือสะบัดแล้วมันก็ตะปบด้วยแล้วงั้นไอ้ปบก็กินไอ้นั้นเลยพวกผมขู่วิ่งขึ้นต้นไม้จะไปช่วยยังไงเสือใหญ่ไปช่วยยังไงไม่กล้าช่วยแหละไม่มีอะไรอีกต่างหากลผลที่ถูก็แล้วมันก็กินเสร็จแล้วก็ไปเลยว่างั้น อาจารย์ก็เลยเป็งอุทานโอ้นี่แหละสิทธโง่ถ้าเรียนอะไรก็มาเรียนให้จบซะก่อนทีทวนซะก่อนได้ครึ่งครึงกลางกลางไปใช้วิชาตัวเองผลที่สุดคนนะัะก็เลยตายเพราะวิชาความตัวเองเพราะเรียนไม่เจียนจบถ้าถ้าเรียนเจียนจบก็ต้องถามเราก็จะได้บอกเพราะเราก็บอกให้เป็นพื้นฐานเท่านั้นเองตถ้าเจียนจบก็บอกเออท่านอาจารย์ครับ เมื่อเสกคาถาเป่าเสือให้ฟื้นคืนมาแล้วน่ะถ้ามันฟื้นคืนมาแล้วมันจะทำาัไงถ้ามันทำกับเราอีกเราจะมีคาถาเป่าให้อีกมันให้มันล้มลงอีกได้ไหมเราก็จะต้องมีคาถาอีกคาถาอีกกลุมหนึ่งช่อหนึ่งเหมืนกันเลอพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบเป่าเาใส่หัวอีกเพื่อให้มันสลบลงไปอีกอันนี้มันเสกคาถาให้มันมากินตัวเองโง่นะ ทำไมเป็นอย่างนั้นมาลูกศิษย์มันหยู่ที่ไหนล่ะลูกศิษย์นี้เลยพาไปพาอาจารย์ไปจากนั้นก็เก็บกองกระดูกขึ้นมาก็เลยไฟเผาเก็บกระดูก เ, เก็บกระดูกหนังหนังฝังกระดูกข้างเสร็จแล้วก็กเผาจบแล้วก็ฝังนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราเรียนวิชาที่ไหนก็ตามต้องดูให้รอบคอบดูให้ถีถ่วนให้ท่วนที ว่ามันเกิดผลดียังไงเสียยังไงโทษยังไงประโยชน์อย่างไรที่เรารู้วิชาในโลกนี่มันมีมากหลากหลายขนาดกินยาแล้วก็ต้องศึกษายาเม็ดนั้นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเป็นพิษภัยอะไรกับส่วนไหนเราก็ต้องเรียนรู้ให้ทีท่วนไม่ใช่ว่าเขาจับเข้ามาแต่ยัดคอปากไปเลยกินไปเลยใช่สมุนไพรมันก็ไม่พิษเป็นพิษภยัยแต่ยะ ยายุคปัจจุบันให้ระวังให้ดีก็แล้วกันมันเป็นพิษภัยกันเนี่ยนะเหมือนกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สปปโมกไม่ได้เรียนคาถาให้ทีท่วนแล้วก็เสกคาถาเป่าเสือเสือฟื้นคืนชีพคุณหมาแล้วกินตัวเองฮะเพราะเสือมันหิวนะหิวมาหลายวันเพราะนั้นวิชาความรูนะ้มีประโยชน์ก็จริงแต่กับให้โทษให้โทษก็มี เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่วิชาของพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีพระคุณถ้าเราเรียนศึกษาให้ดีถ้าเรียนศึกษาไม่ดีก็อย่างที่หลวงพ่อพูดว่านั่งภาวนาไปสง่งจิตออกนอกทําแตกเป็นบ้าได้ไง่ายๆแล้วว่าวิาวปัชนูอุปกิเลสมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาให้ทีท้วนแนวทางแล้วทำยังไง อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูมัน เ, เวลาไปเห็นนิมิตเห็นเทวปุถุเ ท, เทวดาเห็นอินพรมเห็นที่ไหนก็ตามาถ้าอย่าไปหลงจะไปดูนะถ้าไปดูมันหลงนะอพอหลงท้าเหมือลืมตัวนะสำคัญตนผิดนะให้ย้อนกลับเข้ามาหากรรมฐานเดิมอย่าไปดูอันนั้นดูอันั้นแปลว่าส่งจิตออกนอกเดี๋ยวเสียคนนะเดี๋ยวเป็นบ้าง่ายๆนะ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคในการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ถีท่วนแล้วก็ะยังว่าเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพอมาศึกษาแล้วก็เป็นบ้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเมืองทุกแห่งทุกหนเลยจะน่าเชื่อถือได้อย่างไรประพุทธศาสนาอันนี้ตัวเองเรียนผิดที่ผิดทางเรียนไม่จบอย่างที่ ชายหนุ่มคนนั้น่ะไปเรียนไม่จบจากทิศปะโมกอาจารย์ก็เลยวิชาเลยฆ่าตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนะอันนี้ก็ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งนะกนัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองคหลวงพ่อเนี่ยแต่ละวันคือบอกกล่าวแนะนำให้แนวความคิดให้ใช้ปัญญาสรุปแล้ว ใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่หัวสนฝานะอย่าไม่ให้เชื่อหัวชนฝาาถ้าคนที่หัวชนฝาไม่เชื่อใครเลยอนะันนโง่นะมันต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูสูงดูต่ำดูสิ่งรอบด้านดูหมู่ดูเพื่อนอันไหนดีไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีเรา็นนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาบอกกล่าวให้กับหมู่พวกเพื่อนของเรา สี่นั้นที่มันไม่ดีแล้วก็บอกเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปทาเน้อในสี่นั้นมันไม่ดีอ่เราก็เป็นบทเตือนอีกบทหนึ่งเหมือนกันเราอย่าไปทามันไม่ดีฮะแต่สิ่งที่มันดีเราคนนำมาเกมาบอกให้หมูให้เพื่อนให้ศรัทธาญาติโยมอย่างหลวงพ่อไปเห็นอะไรมาจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อจะนามาบอกกล่าวแนะนำสังสอนลูกหลาน <c oughs> ให้เป็นแนวความรู้สติปัญญา ไปนะัทสถานที่ใดให้รอบครอบจะได้มีอุปสรรคหรือว่าไปที่ไหนแบบหลงตามหาบวัวเฮ็ดหยังโจโลซื้อโหดโหลดคือศพเป็ดหลงตาว่ะศพเป็ดคือปากเป็ดมันตรงตรงโจโลหนะลงตาเปียดเทอย่ังไงนะ <c oughs> คอคนไม่มีไม่ได้ใช้แนวความคิด เอาล่ะพอในตอนนี